เพราะในธรรมในวินัยมันมีอาการที่บอกว่ายังไม่ถึงกำหนดตายก่อนเนื่องด้วยเจ้ากรรมนายเวรถึงสิ้นอายุอีกอย่างก็สิ้นอายุอายุที่สร้างมาเพียงปีหนึ่งเดือนหนึ่งหรือวันหนึ่งหรือขณะที่ออกมาจากท้องของผู้เป็นแม่ แล้วแต่เในว่าทินอายุคำว่าทินอายุก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวคุณนั่นรู้ว่ากี่ปีกี่ปีทิ้นอายุบางคนก็ตายเนื่องด้วยอุบัติเหตุเน่งด้วยเจ้ากรรมนายเวนเข้าก่อนโดยที่ยังไม่ทิ้นอายุอีกคนหนึ่งก็ะิ้นบุญทิ้นบุญคือบุญที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์ทิ้นบุญคือบุญที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์พูดถึงได้มาแค่นั้นแค่นี้เรียกว่าทิ้นบุญ บุญที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์แล้วก็ไปสร้างต่อไปในภพต่อไปกินอายุไขสิ้นบุญเป็นเนื่องด้วยเจ้าคันมนายเวีนอายุไขัยมันคงก็ตายอยู่ยังวันสองวันนีกไม่ใช่ว่าเป็นโูกเจ้าควานายเวีนนะถูกก็รตายด้วยสิน้นสินอายุของเคนของพ่อเพือพ่อพ่อสิ้นอายุร่างคนแข็งเลยเดี๋ยลูกเข้าไม่ได้ก็ที่เนื้ออายุนะ่ะ พราเข้าไม่ได้ลูกเขอาไม่ได้สิ้นอายุสิ้นอายุอายุที่สร้างมาในโลกมนุษย์หมดแค่นั้นไม่อยากตายก็ตามก็หมดนี่แต่ว่าพวกเรายังจะอยื่อเทียนอยากอยู่เอ็งไม่ได้อะไรมาเนี่อลูกเนี่ยได้อะไรไปแล้วลูกแำไม ย, ยังฟากันบ้ากันอยู่กูไม่ทราบใส่รูป พ่อไม่ได้สมปาศนาหน่ะว่าจะเป็นจะตายนะได้อะไรมาลูกเต่าแล้วได้อะไรไปเป็นมาลูกได้อะไรมาล่ะเดี๋ยวเวลาตายลูกได้อะไรไปแล้วผัวได้ไปด้วยไหมเมียได้ไปด้วยไหมล่ะลูกเต่าได้ไปด้วยไมท้าวสมบัติลูกได้ไปด้วยไหมล่ะลูกฮึแค่โรคจีไม่แจกกัตนตัวนั้นนะ่นลูกต่อไปอีกละ ในสมปราถนาก็จะเป็นจะตายเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับไปแล้วเราติดเขาหรือเขาติดเราเราติดโลกธรรมแปดหรือโลกธรรมแปดติดเราถ้าลูกไม่ติดในโลกธรรมแปดลูกก็ใช้คําว่าปฏิบัติธรรมได้เลยเดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้ลูกเต๋อเอ้ยลูกเต๋อยังใช้ไม่ได้ ยังไม่ยังใช้ไม่ได้ที่คำว่ารูปปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพุทธศาสนาเอาตัวไม่รอดเมื่อโลกประทับแต่เข้าครอบนำสูญเสียสิ่งที่เร่าที่หวงปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกโลกประทับแต่หัวเสียเมียตายหัวตายเมียตายลูกตายลูกพัดผ้มันก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกลูกไม่เกิด คือลูกยังไม่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้เลมีแ ก, มแก่มีเกียรติมีตายมีพัดภาคมีปรารถนาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็อยู่อย่างนี้สูกเป็นลมเป็นแรงอยู่พูตามภาษาบ้านเรามันก็มีอย่างนี้แหละลูกเต่านะแต่ว่าสัตว์โลกไปยึดไปถือตางหะไม่ใช่โลกปรรามแปดมายึดถือความทุกข์ความสุขไม่ได้มายึดมาถือพวกเราเราไปยึดตางหากนก็เลยเป็นทุกข์และเป็นสุข การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็ไม่เกิดลูกเต้าเออมันเป็นอย่างนั้นข้าไม่ได้มันทุกข์พลมารปฏิบัติร้อยปีพันปีแสนปีมันก็ทอเก่าลูกกข้ามไม่ได้ก็ไม่ใช้คาว่าปฏิบัติธรรมใช้ไม่ได้นี่อการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาท่านก็เอาช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เราเกิดการพัฒราการปรารถนา ไม่ได้ดังที่ต้องการตั้งเจตนาไว้มันไม่เป็นไปดังที่ตั้งเจตนาสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองหวงไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องพัฒนาทุกข์นี่ทรมานนี่เขาเรียกว่าโลกก็ทำแต่ข้อครอบงํา ความสุขความทุกข์เข้าครอบงำความติดสินนินทาเข้าครอบงำความได้ลาบเสื่อมลาบเข้าครอบงำเข้าครอบงำลูกเต่ารัฐาบรรดาฉากเข้าครอบงำในใจของลูกของเต่าติดในโลกสมมุติไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอยู่อย่างนี้แหละออกไม่ได้ตายฟีเกิดฟีตายฟี ไม่ได้ชับสมบัติอะไรจิตในจิตในใจของลูกเข้าไปเลยปฏิบัติธรรมฟรีจริงไม่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละมันเป็นของที่ใช้กันไม่ได้เพราะคำว่าธรรมตัวนี้ไม่เข้าสู่ในจิต ใ, ในใจของลูกไม่ทาให้จิตให้ใจของลูกแจ้งสว่างกระจ่างในความสุขความทุกข์ที่เกิดประมาณ แน่นยิ่งเงี้น็นจะตายทำอะไรมันก็ไม่อิ่มร้องไห้ก็ไม่อิ่มคําควรก็ไม่อิ่มเราก็โกนก้องไปในโลกอัตตาต่างๆมันก็ไม่อิ่มไม่รู้จะพูดยังไงในความเสียห่วงเสียใจของพวกสัตว์โลกที่กําลังตกและกําลังลำบากในการสูญเสียในการไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนา นี่เลยพระเจ้าศาสนาจึงอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นเพื่อโลกเพื่อสงสารก็เรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นโน่นลูกเจ้าไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีมามีมานานแล้วตั้งแต่นุ้นตั้งแต่ไหนประมาณไม่ได้ว่าตั้งกี่กับกี่กันพุทธเจ้าจะไม่อุบัติขึ้นหรืออุบัติขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้ แต่ไม่มีใครมาแยกแยะไม่มีใครมาปฏิบัติให้แจ้งคําว่าความทุกข์ต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวดับทุกข์และหนทางในการดับทุกข์เรียกตามธรรมตามวินัยว่าอริยสัจสีลูกไม่แจ้งการปฏิบัติทำบุญก็ไม่เกิดในใจของลูกความทุกข์เกิด น่าจะได้ความสุขลูกไม่ได้ลูกได้ความทุกขแ์แทนอิยารณาเอาทีว่าลูกได้อะไรในการปฏิบัติธรรมของลูกไม่เกิดคาว่าปฏิบัติธรรมใช่ไม่ได้เมื่อปฏิบัติธรรมใช่ไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดแทนปฏิบัติวัดไหนอารามไหน กับกูบาอาจารย์ตรงไหนก็ตามมันก็เท่าเก่าไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจของลูกมันเป็นเองมันหมักหมมอยู่นั้นได้ความทุกข์ทรมานหาทางบอกไม่ได้ปัญญาของลูกไม่มีข้ามความทุกข์ลูกเต่าต้องเอาปัญญาข้ามทีนี้ทุกไปไหนลหรโลกไหนลหรที่ไม่มีความทุกข์ นั่งเครื่องบินไปประเทศนอกมันก็ทุกข์เท่าเก่านั่งรถหนีจากวัดป่าห้วยลินหนีไปที่ไหนมันก็ทุกข์เท่าเก่ามันเพราะมันอยู่ที่ใจของลูกของเต่านั่นเอกาปริยบุคคลชั้นสูงสุดพระรหันต์องค์ไหนก็ตามลูกก็ยังทุกข์เท่าเก่ามันเพราะลูกเป็นผู้ปรับปริปฏิบัติเองทำมันไม่เกิดนั่นมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ใจของลูกของเต่านี่พุทธศาสนาจึงสอนลงที่ใจของสัตว์โลก หลวงปู่หลวงตาอางนี้ก็เฉกเช่เนเดียวกันมันเคยทุกมาก่อนไม่รู้มันทุกอะไรแล้วเพระาะป่าขนาสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้เป็นทุกข์นะบางทีก็เข้าข้างตัวเองแล้วกูทำดีแล้วทำไมจริงไม่ได้รับสิ่งดีตอบสนองกูดีแล้วอีนั่นมันไม่ดีไอ้นี่มันไม่ดีไปโทษคนอื่นไม่เชื่อกรามเชื่อผลของกรรมไม่ลงที่กรรมตัว น, นั้น ไม่โทษตัวเองในสมัยอดีตชาติที่สร้างบา ร, รมีมาไม่ดียังไปโทษคนอื่นคนไกลยอยู่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เลยหลวงปู่หลวงตาก็เป็นมาก่อนเป็นมาแล้วข้ามได้แล้วสอนรูปสอนเต้าอย่างที่รู้ที่เห็นมาตามความจริง ถ้าไม่รู้ไม่เห็นมาก็สอนไม่ได้เอาํำหรับตำลามาสอนมันก็ไม่มีผลเพราะยิ่งเรียนมันก็ยิ่งยึดยิ่งถือในตำหรับตำลามันไม่เหมือนภาคปฏิบัติที่ละที่วาง ม, มันอยู่ตรงนั้นใจตัวนั้นเป็นตัวยึดตัวถือใจตัวนั้นเป็นตัวกระทำดีกระทำชั่ว สุกขก่อใจทุกขก็ใจวุ่นวายกายกองก่อใจไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นลูกไปยึดไปถือมันเองไอลูกไม่ยึดไม่ถือมันก็มีความสุกขก็แก่นั้นทํายังไงจึงไม่ยึดไม่ถือได้ก็ปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยพูดอยู่เดี๋ยวนี้หลงปู่หลงตาก็ปฏิบัติธรรมทำในใจให้เป็นพุทธโธธรโมสังโฆนี่ปฏิบัติธรรม ไม่ทำในใจให้ประยุทธ์นั่นถือโน่นถือนี่เป็นอารมณ์แห่งใจอารมณ์แห่งใจคือผู้ตัวธรรมอุสังโ์มาใครถวายชีวิตกับผู้ตัวธรรมอุสังโ์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพิจารณาความตายตลอดตลอดมันจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรไปเลยลงที่ใจที่นั่นปฏิบัติที่ใจที่นั่นแจ้งก็แจ้งที่ใจที่นั่น ขาดจากโคบจากชาติมันก็ขาดที่ใจที่นั่นมันไม่ได้ขาดที่อื่นไม่ใช่เรื่องยากถ้าพวกเราจะปฏิปฏบัติเวลาเจอทำที่เข้ามากั้นนาในจิตในใจที่ว่าโลกะทำแปะหรือทำทั้งฝ่ายเล็วก็มาลูกข้ามไม่ได้มันก็ปฏิบัติทำไม้ถึงไหนก็อกุศลหมายถึงบาปพวกนั้นเข้าในจิตในใจ มืดบอดลูกออก็ข้าไม่ได้เป็นทุกทรมานวันนี้ก็ทุกวันต่อไปก็ทุกทุกจนถึงวันตายอีกไม่ได้ใดเลยเสียประโยชน์ในการเกิดในโลกมนุษย์ที่จะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อสอนตัวเองอยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยปฏิบัติทีปฏิบัติชอบไม่เกิด ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนพรรษาก็ตามไม่มีผลอันใดเพราะทำตัวนี้เกิดเพราะทำตัวนี้ไม่เกิดในใจเมื่อทำตัวนี้เกิดในจิตในใจเมื่อนั้นก็คือการปฏิบัติทำเกิดทำตัวไหนทำตัวที่รู้จักกาละเทศะรู้จักละรู้จักกว่างรู้จักโลกธรรมแปด อยู่จักใช้สติใช้ปัญญาข้ามโลกธรรมแปดนั่นแหละกุศลเข้าครอบงามแทนอกุศลมันไม่ยากถ้าเราเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมถ้าลูกไม่เชื่อกำเชื่อผลของกรรมลูกก็ข้ามโลกธรรมแปดไม่ได้ไม่มีผลในภาคปฏิบัติของลูกเต้านั่งภาวานาจน ร่างกายแตกสลายไปก็ต่างแต่ถ้าใจมันยังยึดยังถือพบชาติก็ต้องมีทุกคติภูมิเป็นที่ไปอีกเกิดชาติต่อไปก็ทุกข์อีกมันก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจไม่เป็นกุศลใจเป็นอกุศลทำทางบาปกุศลเข้าแทนแต่ปฏิบัติทำฝ่ายดีเพื่อขับไล่ฝ่ายที่เป็นบาปกุศลมันไม่ถึงมันไม่มี มันก็ยุติกันไม่ได้ทุกทรมานต่อไปถึงที่จะรัวมันก็ดับได้ชั่วคู่ชั่วคราวถ้าปัญญาไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นออกมามนก็รับสุขรับทุกข์เท่าเก่านั่งก็ลือสีที่เสื่อมจากฌานเห็นรูปเห็นร่างของสติเปก็หลงไหลและอยู่ในกามนั้นต่อไป เหมือนกับกรูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่กำลังครองฌานครองยานยังไม่เสื่อมท่านก็สามารถทรงก็ทรงหาโลกแต่มันเสื่อมแล้วก็ต้องสืขาลาเพศไปอยู่ในกามได้แค่นั้นคำว่าปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เกิดเพราะสติปัญญาไม่มีมันไม่ลงที่ใจของลูกเต้ามันก็ยากลำบาก คิดว่าเพิ่นเป็นหลวงปู่หลวงตาวาจะมีพันสามารถจะสามารถดับกิเลสได้เป็นความคิดที่ผิดแต่จำปูกาหลวงปู่หลวงตาจำปูกาบวชตั้งสามหมื่นปีก็ต้องตกนรกอยู่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจตัวนั้นข้ามโลกกระทำแปดไม่ได้ยังมีติดสุขติดทุกข์อยู่นั่น เมื่อมีความทุกข์ก็จะเป็นจะตายร้องไห้หนังตาไหลเมื่อมีความสุขก็ลิงโลดตบมือผือผ้าติดทั้งสองอย่างพบชาติก็ต้องมีเกิดดีทุกข์หยีไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งตายตอนที่มีความทุกข์ทรมานก็ทุกขติภูมิเป็นที่ใยของลูกลูกไม่เกาะบุญเกาะกุศลและจะใช้คําว่าปฏิบัติธรรมได้แบบนั้น ปฏิบัติธรรมทางฝ่ายดีได้แบบนั้นเอลอจะใช้คําว่าปฏิบัติธรรมทางฝ่ายเร็วมันก็ถูกต้องอยู่สงสารสาัตว์โลกไม่ใช่อะไรหรอกเราก็เป็นมาก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นเป็นมาก่อนนานแล้วทุกทรมานทางโลกเจก่นเดียวกันนะไม่สมปัจฉริยะทุกทรมานมันไม่ทุกข์อะไรทุกขี่ใจนะต้องการความสุขแต่เยตยานมันไม่หามันก็หาความสุขไม่ได้ อยากได้ทิ้งอย่ากเกินเษฐีมหาเฉติอยากเป็นเ จ, าเ จ, าเนจ้าคนนายคนไม่ได้สมปาศนาทุกทรมานจะเป็นจะตายคนไม่ได้หรือทนได้ยากรับอ้ายขายหน้าหม่พวกก็ตัดจินใจทำลายทำลายชีวิตของตัวเองบุญมีน่าจะเอากลุงที่ใจกลับไม่ไปแล้วเอาความเร็วเข้าครอบงำ ทำทั้งฝ่ายเลวบาปกุศลเกิดก็ลงทุกขติภูมิปับนั่นหมดเชื่อบุญหมดเชื้อกุศลที่ได้สร้างสมบบกมบรรมันนี่ยถ้าใจมันไม่เป็นอัดเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นฝืนจิตฝืนใจของตัวเองได้มันก็ได้ดีใช้หรือก็ใช้ปัญญาสอนตัวเอง คงเวทนาก็ใช้สมาธิใจยันใช้ยันก็ได้แค่ชั่วคู่ชั่วคราวขอออกมาแล้วไม่มีปัญญามันก็เท่าเปล่าเพราะสิ่งนี้มันเป็นโลกิยะมันยังเสื่อมอยู่แต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญามันต้องมัชฌิมาปฏิปทาคู่กันลูกจะมีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้มีเฉพาะศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้มีเฉพาะปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะมันไม่สมบูรณ์มันไม่มัจเจหมามันไม่พอดีมันไม่เสมอกันเมื่อมันไม่เสมอกันมันหนักไปข้างหนึ่งมันก็เป็นลักษณะเอียงข้างหนึ่งเราหาของถ้าของนั้นมันหนักไม่เสมอกันหรือเราไม่ไม่วางตรงกลางให้มันเสมอมันก็เอียงไปข้างหนักคําว่าหนักดีหรือไม่ดีนั่น หนักอะไรก็ตามมันก็ไม่ดีแต่ก็สมควรที่จะหนักก็คือหนักบุญหนักกุศลเพราะทางโลูกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหนักตัวนี้อา้าวดีก็ดีดีก่อนแต่เมื่อเสื่อมจากบุญจากกุศลพวกลูกก็ต้องเสียใจอีกเท่ากัานะนั่นก็ปัญญาไม่มีแต่หนักคือหนักไปในทางทําบุญทำกุศล เมื่อลูกไม่ได้สมปาถนาอีกลูกก็เป็นทุกข์อีกคร่ำควรวญโอดโอยห่ ย, ห, ยหวนอีกถ้าพระเจ้าได้ทำดีแล้วทำไมจึงไม่สมปาธนาก็เลยไปประมาทาประมานที่ไหนก็ให้ก็มีสร้างบาปปามาาเพิ่มเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่วัดวาอารามตั้งสามสิบกว่าปี ไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจิตที่เป็นกุศลอันตรธานหายไปบาปกุศลเข้าครอบงมแทนเธอจึงคิดว่าการเอาพุทธธรรมสงเป็นที่พึ่งเป็นเจรณะนั้นไม่สมควรเพราะเราอยู่วัดวารามาตั้งสามสิบกว่าปีไม่มีดีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นอะไรเลย ท่านว่าให้เดินจงกรมเราก็เดินจงกรมอยู่ให้นั่งภาวนาก็นั่งภาวนาอยู่ให้รักษาศีลก็รักษาศีลอยู่แต่ทาไมมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนี่แต่สิ่งที่โดยเร็วก็มาทับถมตลอดตลอดในว่าพุทธธรรมสงฆ์คงไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สรณนะเราจะไปพึ่งอย่างอื่นจะไม่พึ่งพุทธธรรมสงฆ์อีกแล้วเพราะพุทธธรรมสงฆ์ไม่สามารถช่วยข้าพเจ้าได้ พอเธอคิดอย่างนั้นถือว่าประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประตูของมหาเวเจีนรกก็เปิดคอยทันทีเธอก็เข้าสู่จรารนาอื่นจาสดาอื่นผลสุดท้ายก็ตายลงมหาเวเจนีนรกบุญกุศลที่ประพฤติปฏิบัติมาสามสิบกว่าปีเลยไม่ได้ผลนี่แหละ ทำไมจริงไม่ได้ผลก็ข้าพเจ้าทำดีมาแล้วทำไมบุญกุศลจริงไม่ช่วยข้าพเจ้าเธอไม่เอาเธ อ, อไม่ยอมรับไม่เชื่อเนืน้อกนกแก้วนกขุนทองสอนให้เดินสอนให้พูดสอนให้สวดมนต์สวดพรมาเพรก็ทำได้แต่ว่าใจมันไม่รับนี่ก็เสเกียรเดียวกันเมื่อใจไม่รับก็โมคบุรุษโมฆะสติเกิดแค่นั้นสูกต่อให้พิจารณ า, าให้ดี ไม่งั้นมันก็เป็นถูกกล่อมไปเห็นไหมล่ะเราก็พึ่งประพฤติปฏิบัติทำก็จะเอาคุณงามความดีเข้าไปเชื่อมในจิตใจเลยมันจะได้หรือแล้วก็คิดอย่างนั้นอีกอ้าวและการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมขนอหนึ่จิตเดียวไม่ใช่หรือนั่นถูกต้องตรง น, นั้นลูกจะคิดว่าลูกพึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมหลายภพหลายชาติผ่านมาลูกปฏิบัติแล้ว แต่การปฏิบัติของลูกของเต้ามันยังเสื่อมคือมีเสื่อมก็มีจเจริญพอตักน้ําใส่ถังหน่อยเวลามันเสื่อมก็เหมือนกับเทน้าทิ้งเกิดชาติใหม่ก็ตักใ่อีกพอมันเสื่อมก็เทน้ําทิ้งก็ อ, อยู่อย่างนี้ไม่เต็มทันทีผู้ที่แจ้งแล้วทราบแล้วว่าเป็นแบบนี้เชื่อกรรมเชื่อผลของตําแล้วผู้นั้นก็เร่งความเปลี่ยน จะได้รับผลดีตอบสนองหรือไม่ก็ตามเพราะเราเชื่อกำเชื่อผลของกรรมเราจะใช้กรรมให้หมดในปัจจุบันาชาติเชื่อหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาความพระพุทธ เ, เจ้าเราว่าแสรจโลกเกิดตามกรรมเธอจะดิบจะดีขนาดไหนในปัจจุบันาชาติแต่อดีตชาติเธอทํ า, าทชั่วไว้เธอก็ต้องรับกรรมก่อนถ้าเธอพยายามหนีกรรมตัวนี้ได้บุญวิตแต่พบชาติต่อไปหนักกว่าเก่า เพิ่มปูนพ่อปูนด้วยดอกเบีย้ยที่ทับถมเข้ากันไปเรื่อยๆน่าจะปะทจารยกันเพียงชาติเดียวมันก็หลายชาติต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นกรรมกรรมของสสตวจโลกอยู่อย่างนั้นอุตสาสนาจริงสอนให้พวกเราปฏิบัติทำคุณงามความดี ให้เดินจงกรมนั่งภาวานาให้ระลึกสิ่งที่ดีๆคือพุทโธธรมโมสังโฆเป็นต้นระลึกถึงเมืองปณิพานเพราะเป็นที่ดับแห่งกองทุกทั้งหมดระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เพราะคนนั้นก็ตายตัว น, นี้ก็ตายต่อไปก็ต้องเป็นเราโดยไม่ต้องสงสัยจะวันไหนแค่นั้น แต่ถ้าเรลือกถึงมรรคผลปนิพันธ์เมืองปนิพันมันก็ยิ้มยิ้มย่องข่องใสพราจะได้หนีจากสุขคติภูมิที่เป็นของหยาบและของละเอียดและหนีจากทุกขคติภูมิที่เป็นของหยาบและของละเอียดเข้าสู่คติที่เหนือสุขเหนือทุกข์คือเมืองปณิพันธ์ามที่ทำมาแล้วจะไม่ไม่มีการต่อเชื่ออีกไม่มี กรรมอันใดที่จะสามารถเข้าไปสู่เมืองปณิพานได้นี่พุทธศาสนาสอนลงจุดนั้นมนลึกไม่ผิดหรอกท่าลึกอย่างนั้นแต่พวกเราไม่นลึกสิเวลาทำฝ่ายเร็วเกิดขึ้นก็ไปแล้วลึกเอาทำฝ่ายเร็วนั่นแทนทำฝ่ายดีเป็นจะตายร้องไห้น้ำตาไหลข้ามควรโอ๊โอยห่ยหวนเพราะลูกทิ้งดี จะยึดสิ่งที่เลวเสียมันก็เป็นอย่างนั้นก็ เ, เลยเป็นโมฆะในการหรือปฏิบัติธรรมของลูกของเต้าฟังแล้วก็ต้องน้อมลงที่ใจไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งฟังแล้วทิ้งลูกก็ไม่ได้อะไรเลยในภาวปฏิบัติริยัดจะเรียนแล้วเรียนเล่ากี่พกี่ชาต์ก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ได้แค่นั้น ยิ่งยึดยิ่งถือยิ่งเพิ่มพูน พ, พ่อคุณด้วยกิเลสหนาชันหาอยากว่าตัวเองรู้มากเรียนมากรู้แจ้งในหลักธรรมคาสอนแต่ไม่ได้รู้แจ้งในภาคปฏิบัติเพียงรู้แจ้งในตำดับตำราในหนังสือนะั้นพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องสรรเสนสิญพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องสรรสญ พุทธศาสนาพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตา ม, ตา ม, ตามที่ไหนเรียนและก็ปฏิบัติรู้แค่ไหนก็ปฏิบัติแค่นั้นแจ้งไปตามสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ล่ำที่เรียนนั้นเหมือนกับพระในสมยัยพุทธกาลอาศัยบารมีเก่าที่ตั้งสมมาตั้งแต่ในอดีต เวลาประพฤติปฏิบัติธรมรมบรรลุอริยบุคคลชั้นต้นก็นตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามสามารถแตกฉานไปหมดยิ่งเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดคืออรหันต์เป็นผู้แตกฉานในใจรู้ปฏิภา รู้วาลจิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณเทเบุเทวดาทั้งจัตเจริจสารรู้ภาษาของมนุษย์ทุกภาษาของจัตเจริญสารของเทเบุเอวดาตลอดพรมโลกนี่ปฏิสัมพิทายาณเกิดเพราะบุญเก่าที่เรียกว่าบุญญาฤทธิ์ฤทธิแห่งบุญที่ตัวเองได้ สร้างสมอบรมบา ร, รมีมาผู้ที่ไม่สามารถี่จะแจ้งลักษณะนั้นพออาชวสิ้นปับ๊บก็กลับมาเรียนใหม่ก็มีเพื่อสั่งสอนโลกเพราะไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาอีเป็นปฏิสัมพิทาญานแตกฐานเป็นหมดในใจโลกธาตุแต่ก็ไม่ผิดในธรรมในวินยัย เงิดแจ้งแล้วไม่สงสัยแล้วรู้ว่าจําเป็นต้องช่วยพุทธศาสนาช่วยพ่อตัวเองกมาเรียนที่หาตำหนักตำรามาเรียนแล้วก็สอนเอาตำหนักตำราสอนด้วยใจบริสุทธิ์นั้นสมัยพุทธกาลก็มีสมัยนี้ก็มีเจ๊เก่นเดียวกันแตกฉานโดยที่ไม่ได้ํร่ำเรียนก็เยอะ ผู้ที่ร่าเรียนเวลาสิ้นอาชวะก็กลับมาเรียนใหม่เหมือนหลวงปู่มหาทองอินเป็นต้นเริ่มเรียนเป็นมหาอีกทหลังเดี๋บรรลุธรรมเมื่ออายุพรรษาเพียงหกพรรษาที่ทำนั้นลืมชื่อธรรมแล้วกลับมาเรียนใหม่เพราะท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สิมพุทธาจารุและมาอยู่ในจังหวัดก็ต้อง มาล่ามาเรียนเพื่อสอนหลอกลู้สึกลูกหาต่อกันนี่ก็มีในสมัยปัจจุบันไม่พุทธการก็เฉกเช่นเดียวกันบางองค์ก็เรียนแล้วแตกชันแล้วแต่ยังไม่สิ้นอาชวายิ่งเพิ่มพูนพ่อภูนกิเลสเหมือนพระโพธิละไบลานเป่าเรียนอย่างเดียวสอนคนนั้นคนนี้จนสิ้นอาชวาก็เยอะแต่ตัวเองยังไม่บรรลุธรรมชั้นไหนแม้แต่โสดาบัน คนสุดท้ายก็ไปเอาสัมมนเนนอรหันต์เป็นอาจารย์บังคับขู่เข็นใจของตัวเองให้เข้าสู่ภาคปฏิบัติลดทิฏฐิมานะของตัวเองที่เป็นครูเป็นบาและแต่สัมมนเนนตัวเรียกแก่ช้คารกกาบ้ายสัมมนเนนล้างกระถนเก็ดถูดูสิ นี่คือพระในสมัยอุทธการคุทีิลัมเรียนมากเมื่อรถดทิติไ ด, ด้นั่นเลยธรรมก็เกิดนั่นเละเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ธรรมทั้งฝ่ายดีเข้าสถิตในใจอ่อนน้อมทําตนเป็นผู้ใหม่วางภาละทั้งหมดเมื่อวางภาละทั้งหมดได้ก็นั่นเลยธรรมก็เกิดดิธรรมทั้งฝ่ายดีก็เกิด ขับไล่ทำทางฝ่ายเลวสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยละก็ละสิ่งที่ไม่เคยวางก็วางสิ่งที่เคยหลุดไม่เคยผลก็พ้นโลกพ้นสงสารเข้าสู่เมืองวันอีปานได้มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจตัวนั้นสมัยนั้นที่หลวงปู่ออกจากบ้านมายิ่งหนักกว่าพวกเราเล่าให้ฟังบ่อยๆเพื่อเป็นอุทาหรสอนใจของหล่อรู้สิลู ก, ล ก, ลกหา เ้วแล้วก็ลืม้ากันลืมไม่พึ้ปฏิบัติใครจะทุกขเท่าหลวงปู่ไม่มีดอกลูกเต่าความฟัดปลากเป็นทุกข์นั่นทุกข์มันถมในจิตในใจค่ำควรโอดโอยหอยหวนอยู่อย่างนั้นข้าวกินไม่ได้มันไม่อร่อยหรอกมอนพวกเราเป็นนั่นละกินอะไรละมันอ้วกออกมาหมดนั่นละทุกข์มันทุกข์อะไรทุกข์ใจนั่นใจมันเป็นเหตุ เหตุที่ใจอย่างเดียวนะี่ยมันเป็นตัวนั้นนะ่ะมันไม่อยู่ที่อื่นนะบ้าที่บ้าก็ยึดก็ถือจะเป็นจะตายที่เอาขนหาดที่เชื่อความเจอผลของการวางคาละทั้งหมดตายก็คือตายมแล้วจะติแล้วลึกถึงความตายเป็นอารมวันนี้เดี๋ยวนี้หละจะตายไม่ใช่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เช้ามาก็เอาแล้วแต่วัน กำลังจะขึ้นแต่ค ว, วามตายก็จ้องเข้ามาแล้วตื่นนอนแล้วอยู่อย่างนั้นทั้งวี่ทั้งวันวันวันเที่ยงใกล้แล้ววันคอยบานเล่งแล้ววันค่อยบ่ายแล้วอายุก็ค่อยแล้วใกล้แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันจะตายอ่านเห็นไหมเอาการอยู่อย่า ง, งนั้นเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานไม่ได้ทิ้งอารมณ์แห่งกรรมฐานเอามอนนรรสสติ เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานแห่งใจตลอดไม่ไม่ ไ, ไปคิดโน่นคิดนี่ไปวุ่นวายทางโลกทางสงสา ร, รนั่นละนั่นถึงการเวลาก็พังสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเหลือไว้จะสิ่งที่ดีๆนั่นความรักความอาลัยความยึดมั่นถือมั่นความคายอดทะยานอยากต่างๆมันก็อันตรฐานนี่แหละ ใช้ก็ลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกนั่มัถูกต้องอยู่นั่นนนัเรียกว่าปฏิบัติทำรวมกันไปได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แตนี้ทําไม่เข้าสู่ใจของลูกของเต้ามันก็เป็นทุกลําไปมันมีที่ติ้นทุด ท, ทุกข์หาทางออกไม่ได้ปาาัญญาไม่มีมันก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปทุกต่อพบต่อชาติหลายพบ หลายชาติหลายล้านชาติหลายล้านอสงไข์ประมาณอสงไข์ไม่ได้ลูกก็ทุกข์เท่าเขามันนั่ น, น, นปัญญาของสัตว์โลกไม่เกิดถ้าปัญญาของสัตว์โลกเกิดจะแจ้งจัดสว่างสวยไปครอบโลกกันขับความมืดบอดความมืดมโนทการ ที่เรียกว่าคกล็ดดำกิสนาทั้งกลางวันกลางคืนนั้นถูกทำทั้งฝ่ายดีเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไปประหัสประหารมันก็อัตราชานจากใจไปสิน้นแต่นี้พวกเราไม่ทำเอาทำเอาทาทั้งฝ่ายเลวก็ไปตลอดตลอดยึดถือมันก็เป็นอย่างนี้ก็บอกให้ปฏิบัติทำให้ภาวนาะเอาผูโทท้โตจโมเป็นอารมณ์แห่งใจ ลึกถึงทานที่ตัวเองได้ทำไว้ลึกถึงกองบนกองผูส่วนของตัวเองแล้วลึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วลึกถึงความายที่จะมาถึงเดี๋ยวนี้ลึกถึงความไม่งามแห่งร่างกายลึกกาหนดลมหายใจเข้าออกลึกถึงพุโทโธธรรมโมใ น, นลมหายใจเข้าออกหรือมรรสสติใ น, นลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออก นั่นเลเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกที่ต้องอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเหตุทางไม่ดีเกิดมันจะไม่ยึดไม่ถือก็ไปเกาะฝ่ายดีปั๊บนั่นยิ้มย่องพองใช้ถือเป็นของธรรมชาติธรรมดาของสัตว์โลกไปเลยนั่นแหละธรรมจึงจะสามารถไหลรวมเข้าสู่ใจของสัตว์โลกได้เมื่อมันขาดจากความรลกความอลายแล้วมันก็ พูดยากอีกว่ามันเป็นยังไงเพราะหาความสุขเทียบเท่าไม่มีจะเทียบในความสุขในโลกมนุษย์หาไม่เจอจะเปรียบเทียบในความสุขในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือในพรหมโลกหรือในอรูปภมก็ไม่เจอเมื่อจิตมันขาดเมื่อใจมันขาดจากสมมติโลกมันตัดรักตัดชงังตัดความต้อยเย่อตยานอยากได้ จัดการยึดมัน่นถือมั่นได้เป็นอย่างนั้นมก็สว่างโลกคอบโลครอบจักรวาลไปหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นคล้ายคำว่าปฏิบัติธรรมและอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อทำทั้งฝ่ายดีไหลรวมเข้าสู่ที่ใจของสารโลกนั่นแต่ถ้าปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายเร็วยังไม่เรียกยังไม่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรม กุทธจัตาสอนนั่นก็ทำทั้งฝ่ายดีเข้าสู่จิตสู่ใจของัต์โลกด้วยความเมตตาลุ่นล้ว น, วนไม่ได้มีอย่างอื่นก็ไปอแอบแต่งัต์โลกจะเชยทยานอยากในการปฏิบัติเพื่อเอาบุญเอากุศลเข้าสู่ใจของตัวเองไหมแค่นั้นเองอย่อพุทตจตมาทั้ ง, งคู่เอา ทำฝ่ายดีเขาไปยึดไปถือไหมหรือจะยึดถือทำฝ่ายเร็วสัตว์โลกยึดทำฝ่ายเร็วมากกว่ายึดทำฝ่ายดีว เ, เวลาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นยึดทางดีไม่ได้ก็หลงในสิ่งที่เร็วๆเกิดขึ้นยึดทางเร็วปั๊บพุกทรมานไม่มีที่ทิ้นสุดเขาบอกว่าทำยากมันไม่ยาก ถ้ายากแล้วอรหัตผลจะเกิดหรือทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตเมื่อผู้มีบเมื่อผู้ใดประพฤตปฏิบัติตามมรรคแปดโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากอรหันนิพทานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเกิดตลอดทุกวี่ทุกวันเมื่อธาตุขันยังไม่แตกสลายของธาตุกองขันอยู่กอตาม เมื่อมันขาดจากสมมุติโลกได้แล้วก็อยู่อย่างสบาสุกเย็นใจสุขก็ไม่ยึดถือว่าเป็นสมมติแห่งโลกทุกข์ก็ไม่ยึดถือว่าเป็นความทุกข์ของโลกไม่ใช่ที่ต้องการความสุขอย่างถาวรที่เรียกว่านิพพานังประมงสุขขัน วิพากเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยิ่งตัวนี้มันไม่เกิดสุขทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันไม่ใช่ทางถ้าเป็นทางก็คือเราพิจารณาถูกพิจารณาสุขพิจารณาทุกข์ให้แตกนั่นคือทางเดินแต่ถ้าเราจะไปยึดสุขในปัจจุบันเป็นอารมณ์แห่งใจ ลกเต่าก็ยังไม่สามารถข้ามความทุกได้ตลอดเพราะมีสุขก็ต้องมีทุกแต่ก็ต้องอาศัยสุขอาศัยทุกในการพินิพิจรารณาสัตว์โลูกไปยึดสุขในภาคปฏิบัติเมื่อจิตหลวมแล้วคิดว่านี่แหละมันถูกมันต้องนี่แหละจึงเรียกว่าสุขผิดในภาคปฏิบัติ เมื่อทุกเกิดก็พยายามบีบปังคับให้มันเข้าสู่ภาวนาตัวนั้นหายจิตมันรวมลงให้มันดับความทุกข์ด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยญาณลูกก็ไม่สามารถข้ามได้เพราะต้นเหตุแห่งทุกข์ลูกยังไม่ตาบนี่คือธรรมคือวิไหนจึงเรียกว่าสุขทุกในโลกิยะ ที่ลูกไปติดไปยึดไปถืออยู่ไม่ใช่ทางที่ถูกที่ต้องทางที่ถูกที่ต้องคือข้ามสุขข้ามทุกข์ในโลกียะหมายถึงเดี๋ยวนี้เรามีสุขมีทุกข์อยู่ลูกต้องข้ามให้ได้นั่นแหละง่ายดีใจมันติดสุขอยู่ใจมันจิตทุกข์อยู่ลูกต้องข้ามให้ได้ข้ามด้วยปัญญา ลูกมีปัญญาไหมแต่ลูกมีปัญญาลูกก็ข้ามได้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ขนาดจิตนี้ลูกก็ข้ามได้ขณะจิตเดียวท่านั้นก็ข้ามลูกข้ามสงสารเข้าสูป่ปณิพันธ์ขณะจิตเดียวท่านั้นก็ธุระกรรมลำบากลงมหาเวทีนรกขณะจิตเดียวก็เข้าสู่เปรตธุรก า, รก า, จารยจันทิละฉันเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเพียงขณะจิตเดียวต่นนั้นขณะ จ, จ, จิตเดียวพึงทําให้แจ้งขณะจิตเดียวพึงทําดี ขณะจิตเดียวพึงเอาบุญเอากุศลเข้าไปใส่อย่าเอาบาปอากุศลเข้าไปใส่คือให้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นบุญเป็นกุศลตลอดในขนาดจิตนั้นนั้นลูกจะเป็นผู้ชนะความสุขความทุกข์ที่เป็นโลกิยะเข้าสู่จริงที่เหนือสุขเหนือทุกข์ในโลกิยะที่เรียกว่านิพพานนั่นแหละถูกต้องถูกทางที่สุด ผูที่ไม่แจ้งก็ไม่สามารถนำเอาจุดนั้นออกมาเผยแผ่ได้ที่เรียกว่าสัจธรรมธรรมที่เป็นควา ม, วามจริงที่รู้อยู่คล้องอยู่เห็นอยู่ยกตำรับตำราว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้อรหันต์เป็นอย่างนี้โสดาบันสัจจคขอนาคาคาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามตารามันไม่ใช่สัจธรรม มันไม่ใช่ความแต่ความจริงที่รู้แจ้งในภาคปฏิบัตินั่นเลยว่าจะจะทำให้เกิดํำทั้งฝ่ายเลวก็ครอบงำในการลลําเลียนมันก็เลยเพิ่มปูนพ่อปูนพบชาติต่อไปไม่มีที่ติ้นสุดใจน่าจะสะอาดสะอาดสว่างสวัยกับมืดบอดพับถมด้วยตำรับตำลานี่ไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าในใจหมายบุตรการก็ไม่เห็นว่าท่านล่ําเรียนอะไรดังที่พูดให้ฟังฟังเทศฟังทําให้กี่บทกี่บาทก็บรรลุแล้วซึงอรหันตผลหรืออนาคาสักทะคาหรือโสตาบันแลแ้วแต่ด้วยบทบาทเดียวในคําเทศนั้นๆก็ไม่เห็นว่าท่านไปล่าําเรียนพราะใจมีดกจบหลักสูตรนักธรรมตีนักธรรมโตนักธรรมเอกหรือปรเรียนนั้นปะเรียนนี้ ไม่มีเรียนที่ใจของตัวเองที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นถูกต้องที่สุดอย่างนั้นที่ใช้คําว่าปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่เกิดในใจของพวกเราไปอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดกเงดาวทุกต่อไปทรมานต่อไปพบชาติน่าจะสั้นเข้าความทุกข์น่าจะสั้นเข้ากับทุกเพิ่มหาทางออกไม่ได้ทุรนตุรไล ขวัญขวายในทางเลวต่อไปเข้าไม่ได้คือสิ่งที่ดีเข้าไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าครองตลอดตลอดยึดสิ่งที่ไม่ดีตลอดลูกไม่ยึดสิ่งที่ดีลูกยึดสิ่งที่ไม่ดีตลอดตลอดแล้วก็เลยทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปไม่เกิดบุญกุศลไม่เกิดปฏิบัติ กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามบุญกุศลให้เกิดถ้าบุญกุศลเกิดลูกต้องทําใจให้ได้ไม่หวั่นไหวในโลกกระทำแต่ได้ยศเสื่อมยศก็ตามได้มาก็ไม่สนใจแลรู้ว่าได้มาแล้วต้องสูญเสียยศถาบรรดาจัดิ์เป็นของธรรมดาทีประดปะดาสัตว์โลกให้ยดให้ถือ เมื่อเราทราบแล้วเราไม่ยึดไม่ถึอได้มาก็แล้วไปเสียไปแล้วก็แล้วไปเรียกว่าหนึ่งในโลกธรรมแต่พมีได้มีเสียไม่สนใจได้ลาบเสื่อมลาบก็เป็นปกติก็ถือว่าเป็นของธรรมดาเพราะเราเกิดมาเราไม่ได้เอามาทั้งสองอย่างทั้งความเสื่อมและความเจริญ ในการได้การเสียไม่มีมาแต่ม า, าใหม่แล้วมาลหลงไหลสิ่งนี้วางพาละมีคนนินทามีคนจกจ้องสันละเสือนก็เป็นปกติไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจทำใจให้ปกติอยู่ในคุณงามความดีตลอดอานิสงส์จึงจะเกิดสุขทุกข์นั่นแหละใจเป็นตัวยึดตัวถือ บางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์ปัญญามีมันก็ข้ามได้เอาเจ้าต้องการความสุขอย่างเดียวลูกก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความทุกข์เครือบอยู่ถ้าพระเจ้ากําลังทุกข์เดี๋ยวนี้ต้องการความสุขลูกก็เป็นทุกข์ตลอดเพราะปัจจณาจึงความสุขเนื่อไปเจอความสุขลูกก็คิดว่าลูกจะไม่อยากจากความสุขไปอีกไม่อยากจะสูญเสียลูกก็เป็นทุกข์อีกมันก็เท่าเก่าหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าแจ้งในสุขในทุกข เป็นของธรรมชาติธรรมดาเมื่อมีสุขมันก็มีทุกข์ู่กันอะไรเป็นเชื้อในการรับก้อใจตัวนี้ใจมันไม่แจ้งใจมันมืดบอดใจมันไม่สว่างสวัยด้วยธรรมใจมันสว่างสวัยด้วยธรรมมันก็ชนะความมืดบอดได้อันนี้ใจมันมืดบอดอยู่ทาไม่สามารถได้รวมลงสู่ใจได้มันก็ทุกข์ทรมานต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ป้านก็ป้องทุกขังก็เลยไม่เกิดในปัจจุบันลูกเต่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่กายสุดเอื้อมไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยของสักรโลกที่จะเข้าสู่ปณิพันธ์มีทุกยุคทุกสมัยทุกกาและเวลาไม่เลือกเพราะนั้นตอนนี้พรรษาไม่เลือก ไม่เลือกพระเข็นเนนจีอุบาสกปฏิกาเมื่อแจ้งแล้วสว่างแล้วก็นั่นเลยที่สุดแห่งธรรมก็เกิดที่สุดแห่งทุกไม่มีทุกเข้าไปก้าวไกลในจิตนนเนนจีนี่และว่าที่สุดแห่งทุกทุกเกิดทราบสุขเกิดก็ทราบไม่มีการยึดการถืออีกแล้วถือเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกต้องมีสุขมีทุกข์คู่กันมีได้ก็มีเสีย เป็นของคู่กันมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราเกิดมาเราไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งนี้อยู่ในโลกธาตุทั้งสามทั้งตามพบรูพบเละรู ป, ปรพบเป็นเทวาดาแล้วก็ไม่อยากตายจากเทวาดาก็เป็นไปไม่ได้อายุขัยบุญในการที่เป็นเทวาดาก็มีเธอก็ต้องอยู่ตามอายุขัยอยู่ตามบุญที่สร้าง พอที่เป็นเทพบุตรเทวดานางเทวดาได้ก็จิติเกินใจคือตายจากพวกเทวดาบุญกุศลไม่มีรองรับในการทำในโลกมนุษย์ลูกก็ต้องลงมหาเวจีนระลูกปับเข้าเก่าไม่มีผลอะไรนั่งสมาธิเกิดปีติขนพองะยองเก้าละลึกเป็นอารมณ์แห่งใจได้ชั่วพู่ชั่วเก่าตายตอนนั้นไปพรห ม, มโลกเป็นพวกผมที่ไม่มีเพศ อิ่มอยู่อย่างนั้นด้วยปีติหลายกับหลายกันโลกเกิดดับหลายครั้งค่อยจุติเกินย้ายจากกุมาโลกก็ตามแต่วัฏบุญในโลกมนุษย์ลูกทำไว้ไม่มากลูกก็ต้องตกมหาเวจีนรกเท่ากันไม่มีไม่มีสถานที่ไหนที่จะมีความสุขอย่างเดียวตลอดเหมือนเมืองพรนิพานนั่นพุทธเจ้า อุบัติขึ้นก็เรื่องนี้แหละต้องการนำสัตว์โลกเข้าสู่เมืองอนิพานอิปานังปรังังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์กไปเจือพนการพัดพลากไม่มีไม่มีคำว่าร้อนไม่มีคำว่าหนาวเหนือไปหมดจนประมาณไม่ได้ไม่มีคำว่าสุขคำว่าทุกข์ที่เรา ถ้าจนอยู่เดียวนี้ไม่มีคำว่าถ้าเยียวยาอยากไม่มีคำว่าพัดพราดพอเหนือไปหมดจนประมาณไม่ไเรียกตามทำตามวี่ในว่านิพพานังปรมังทุกขังนิพพานเป็นตุกอย่างอีกนั่นปฏิบัติธรรมไปที่นั่นอย่างั้นลูกก็ไม่สามารถนำพาตัวเองตลอดรอดฝั่งได้พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นกีลานพงก็ตาม ใจของลูกไม่รับไม่ประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีไม่เกาะไม่ยึดคุณงามความดีก่อนลูกก็หลงลกห ล, ลงทางต่อไปคอยพระเจ้าองค์ต่อไปก็เท่าเก่ามันอยู่ที่ใจของลูกคอยกุบาอาจารย์องค์ต่อไปก็เท่าเก่ามันอยู่ที่ใจของลูกไปหากุบาอาจารย์ใหม่ลูกก็เท่าเก่าเพราะมันอยู่ที่ใจของลูกทําลายมันไม่ได้ ทำลายเปยตทำลายผีทำลายมาในใจของลูกของเต้าไม่ได้ของตัวเองไม่ได้ลูกก็เป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่ทิ้นสุดลูกเต้าเอ้ยเป็นยังไบุตจัจานาสอนมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลถึงเราจะอยู่ในโลกมีลูกมีผัวมีเมียมีกิจการที่ทำก็ตาม ลูกก็สามารถทําโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ใจของลูกที่จะกระทําลูกจะกระทำหรือไม่กระทําแค่นั้นเองถ้าลูกกระทำตามทำตามอีกไหนลูกก็ได้ดีเพราะปรารถนาอยู่ถ้าลูกไม่ปรารถนาลูกก็ไม่ได้แต่แต่คําพูดครูบาอาจารย์พาพูดพูดตาม วันข้าปเจ้าจนถึงเมืองปณิปานในปัจจุบันชาตินี้ตืิดพูดก็เหมือ น, นกแก่นกขุนทองพูดมันไม่เข้าใจของลูกของเต่าแล้วลูกเต้าจะหาความสุขในการปฏิบัติธรรมได้แบบไหนไม่เกิดเกิดได้แต่ความทุกข์ทรมานต่อไปไม่มีวันที่ที่สุดนี่มันลงที่นั่นก็ที่ใจของลูกของเต้านั้นแ่ะน้อมลงที่ใจฟังแล้วก็น้อมลงที่ใจปฏิบัติที่ใจนั่น ใจตัวนั้นน้าพินิจพิจารณาเพราะเหตุต่างๆเกิดขึ้นที่ใจของลูกของเต้าอย่างเดียวไม่ได้เกิดที่อื่นถ้าขาดสติกาดปัญญาลูกก็ไม่เห็นใจตัวเองถ้ามีปัญญาลูกก็สามารถเห็นใจองค์ตัวเองได้เชื่อเป็นยังไง เื่อยึดเชื่อถือเป็นยังไงลูกก็จะทราบเองที่ใจของตัวเองนั่นแหละแต่นี้มันไม่เห็นใจตัวเองมันเห็นเปรตเห็นผีแทนปพัฒนาไม่ได้สิ่งที่ตั้งใจเจตนาก็เป็นทุกข์ก็เป็นจะตายยึดความทุกข์เสียไม่ยึดความสุขไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นทำบุญกีบข้างกี่หนก็ตามบุญก็ไม่สามารถไหลรวมลงสู่ยี่ใจของลูกของเก้าได้ เอาบาปกุศลเข้าแทนปัาบก็าปกันอย่างนี้แหละทุกไม่มีํำหรับผูติหวังมรรคผลวิรณาไม่มีใจทวนั้นใจอาจใจหารใจโศสุดโสเป็นโศตายนั่นเอาใจวัดเอาใจฝึกปฏิบัติเพื่อต้องการใจแท้ใจมีหลักมีเกณฑ์ใจเป็นอิสระภาพแต่ก็ต้องเอาใจปฏิบัติ อย่านี้ใจไม่เป็นอิสระภาพใจถูกเปรตถูกผีก็ครอบงำปรุงแต่งไม่มีที่สินสุดนี้แต่แต่มันจะนึกมันจะคิดมันจะบีะบหัว จ, จ, จิตหัวใจทุกประมาณต่อไปหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์เกิดตลอดตลอดปฏิบัติธรรมเรื่องโยมนั่งภาวนาะออกมาแล้วก็ทุกขเท่าเก่าหาความสุขไม่ได้ปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่มีก็ต้องตกสถานที่ที่เร็วๆตามใจต่อไปไม่มีที่สินสุดนั่น มันอยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจของลูกของเต้านะถนอมลงที่ใจได้ก็ปฏิบัติที่ใจได้ปับ๊บนั่นก็พ้นโลกพ้นสงสารปับ๊บมันไม่เห็นยากเห็นเย็นอะไรถ้ายากแล้วหลวงปู่ทําไมจึงนําสิ่งที่เรียนรับมาสอนพวกเราได้ใจที่หยาบโลนใจที่มีเปรตมีผีสิงทําไมหลวงปู่จึงฆ่าจึงทําลายมันได้ละ ใจที่จะยื้อจะยานอยากใจปทุตระไรคนนั้นคนนี้จองร่างจองฝานจองกรรมจองเวนคนนั้นคนนี้ลุงปู่ทำไมกินข้าใจเปดใจผีพวกนี้ได้อิสรภาพเมื่อเป็ดผีถูกทำลายไปแล้วใจแท้ก็เกิดอิสรภาพก็เกิดใจก็เป็นไทยไมีอิสรภาพสิไม่มีเป็ดมีผตีตัวไหนที่จะบีบปังคับใจใจตัวนี้ได้อีก เงย อ, อยู่ก็ใช้เปใช้ผีเปผีไม่ได้ใช้เราอีกไม่ได้ทำลายจิตทำลายใจเราได้อีกสักแต่ว่านั่นขึ้นแล้วที่ใจนั่นทุกข์ก็สักแต่ว่าเป็นของธรรมชาติธรมกกธ ร, มธรมดาอย่างนั้นสุขก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ของธรรมดาเมื่อมีสุขก็มีทุกข์มีได้ก็มีเสีย ยศก็เสื่อมยศได้มีราบก็เสื่อมลาบได้มีนินทาก็มีแสนรเสริญได้มีสุขก็มีทุกข์ได้คู่กันตัดความหลงอย่างเดียวก็จิ้นสงสัยไม่หลงในสุขในทุกถ้ายังหลงในสุขในทุกอยู่ล้านปีนล้านสมไขหรือประมาณล้านล้าน้านไม่ได้ก็ตามรู้ก็อยู่กับความ ทุกและความสุขแบบนี้ไม่มีดที่สุสดาสามารถสอนใจงตัวเองได้รูกก็มีความสุขปับ๊บแต่ไม่ใช่ความสุขที่มีความทุกข์ที่แอบแฝงเป็นความสุขที่เหนือโลกเหนือสงสารเหนือทุกและเหนือสุขในโลกียะนี่ต้องปฏิบัติแบบนี้จึงใช้คำว่า ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ลูกเต้าตั้งใจพืปฏิบัติมันก็ได้แต่ตั้งใจไหมเล่นไปหัวไปล ม, ล ม, ลมๆแรงๆไปมันก็ได้แค่นั้นไม่ตั้งใจไม่สอนตัวเองไม่สอนใจตัวเองไม่ยึดในสิ่งที่ดีๆพักเันไปยึดในสิ่งที่เร็วๆไม่ยึดความสุข ก่อนไปยึดความทุกข์ก่อนนก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาของสัตว์โลกก็ต้องอาศรรยัยความสุขในปัจจุบันถูกต้องไม่มีใครอยากทุกข์แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นโลกธระทำแต่ดังที่พูดให้ฟังแต่ถ้าแจ้งในสุขในทุกข์แล้วท่านเรียกว่าเจอแล้วสัจจธรรมการตัดสิรู้ก็เกิดสัมมาทิฏฐิเ อ, อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ รู้สุขรู้ทุกข์รู้แล้วเพราะมันมันอยู่ด้วยกันระหว่างสุขระหว่างทุกข์รู้ต้นเหตุรู้ต้นเหตุที่ยึดที่ถือในการสุขในการทุกข์รู้ในการดับด้วยนี่เนี่ยมีโลดเป็นตั ว, ตวดับรู้การเดินทางที่จะดับทุกข์ด้วยที่เรียกว่ามรรคหรือหนทางนั่น ถึงในธรรมในพินัยจะมบอกว่าทุกสมุทัยนี้โลดมักมันก็แจ้งด้กันทั้งสุขและทุกข์นั่นแหละในภาคปฏิบัติถ้าจะเอาทุกอย่างเดียวเปน็นอารมณ์ก็แสดงว่ายังหลงอยู่เพราะต้องการความสุขในภาคปฏิบัติแต่ถ้าพิจารณาทั้งสองด้านระหว่างสุขระหว่างทุกข์ลงที่ใจว่าเป็นของไม่เที่ยง ถ้าไปยึดไปถือก็เป็นทุกข้อทุกอย่างไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เรามันก็วางภาระได้ตัดสู้ได้ในปัจจุบันแต่จะทำที่แท้ก็เกิดถ้าจะปฏิบัติทำผิด ท, ที่รู้ไม่แจ้งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิตัวนั้นไม่เกิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตามตำรา บ, บอกว่าตัดสู้จนที่ทุกข์สมุดไทยนิโรธมรรค ลูกก็เลยไปโมเมเอาว่าต้องการความสุขอย่างเดียวยึดถือซึ่งความสุขลูกก็เป็นทุกข์เมื่อความสุขอันตรธ า, านแต่ถ้ามีปัญญาก็มันก็ข้ามได้ทั้งสุขและทุกข์ท่านในปัจจุบันนชาติไม่สงสัยมันเป็นอย่างนั้นถึงจะกาถึงจะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขนั่นก็ได้พอหอมปากหอมคอแต่ชั่วคู่ชั่วยา ความสุขไม่ตลอดจำยิ้มพูดในฟังเพราจากสมาธิจานญานแล้วในภาคปฏิบัติแล้วก็เข้าหาความทุกข์เก่านมันต้องแจ้งในสุขและทุกข์นั่นถูกต้องที่สุดนั้นสัจธรรมธรรมที่แท้ก็เกิดสุขก็ทราบแจ้งว่าหาความเที่ยงไม่ได้ทุกข์ก็ทราบแจ้งว่าหาความเที่ยงไม่ได้ยึดถือก็เป็นทุกข์ต่อไป พอไม่ต้องการให้มันเสื่อมสลายมันก็เสื่อมสลายเพราะทุกอย่างไม่ใช่เราพินอนาตานั่นไม่ใช่เราจะอยากใจก็ว่างสว่างสวยวางภาล่าทั้งหมดอยู่ไหนก็อยู่ได้ตอนนี้อะไรจะมาก็นาซ้าเติมไม่มีควาว่าวันไหวท้าทายใจลูกกระทัดเต็มไม่เต็มหน่วยนี่แหละต้องทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินนี่หลักคําหลักยิ่นั ใครจะถุยน้ําลายใส่ใครจะขีใจะเยี่ยวจะลดใครจะปลูกพืชฝักต้นไม้ก็จะเอาของเน่าของเหม็นไปทับไปถมดินมันก็ไม่พูดมันก็ไม่บน่นมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ใครทําใจได้อย่างนั้นลูกเต่าเอ้ยลูกเต้าจะอยู่อย่างขาสุกเย็นไปเพราะจิตมันไม่ยึดมันไม่ถือว่ายังไงในโลกก็ทำแกะไม่สนใจใหญ่ดี หรือว่าไม่ใ่เราเราเกิดมาแล้วกม็มีอะไรมาเราจะมายึดมาถือทาไมพวกนี้ยึดถือก็เป็นทุกข์เพราะความตายมันจ้องอยู่เราจะตายอยู่เดี๋ยวนี้คนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเราจะไม่ตายเป็นไม่มีพิจารณาถึงความตายตลอดใจใจไม่ก็วางไม่เอาอะไรนล้วเบื่อนหน่ายไปหมดเอาอะไรไม่อยากได้ เพราะได้มาก็ยึดก็ถือเสียดมเสียดายไม่อยากตายแต่ผลสุดท้ายก็ต้องตายนั่นมีแค่นั้นนี่ถ้าเราแจ้งแล้วเราก็อยู่อย่างผายสุขเย็นใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขใจก็เย็นเรียกว่าผายสุกเย็นใจมันถูกต้องแบบนั้นมีความสุขนะลูกตั้งกายถึงจะเจ็บก็ได้ป่วยทุกทรมานในแบบไหนก็ตามถือว่าไม่ใช่เรา สัจธรรมเกิดทุกเกิดเมื่อโรคภัยก็เจ็บไข้สุกก็เกิดมันก็มีแค่นะั้นเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวมันก็สุกอีกยึดไม่ได้ทั้งสองอย่างรู้แจ้งว่าสุขว่าทุกไม่เที่ยงก็ข้ามสุขข้ามทุกในโลกียะทันทีปับ๊บนั่นแหละจิตใจก็ว่างสว่างสวายไม่ยึดไม่ถือจิตใจที่ลูกเล่าร้อนอยู่ก็จะชุ่มเย็นเย็นตลอด ใครจะเป็นใครจะตายใครจะร้องไห้น้ําตาไหลใครจะพัดพราดใครจะเทอเยอเทอยานเสียหเสียใจยถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ีเหน่ไม่ยึดไม่ถือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่ใช่เราแต่ยึดไปถือก็เป็นทุกทันทีนั่นแหละนิพพานถูกต้องที่สุดดับแหงความทุกข์ความสุขในโลกียะได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ใช้คําว่านิพานังประมังสุก ข, ขังนิพานเป็นถูกอย่างยิ่งหรือไม่ก็ตามอาหารจานนี้อร่อยมากนะแต่ใช้กำนี้หรือไม่ใช่ก็ตามรู้เองแจ้งเองรู้เองแจ้งเองอ ร, อริอยอรก็บแบบไหนทราบเองนิพานที่ใช้เขียนตามตลอดกาลที่เป็นสมมติของแท้เป็นแบบไหนทราบเองแจ้งเองนั่นแหละการที่ทีโก รู้เองเห็นเองเดี๋ยวนี้ลูกก็เห็นเองเห็นเองอยู่แต่รู้ว่าทุกมันออกจากทุกไม่ได้มันก็รู้เองเห็นเองที่ใจของลูกนั่นแหละรู้เห็นรู้เองเห็นเองอยู่ขอสันติที่โกความทุกข์ของลูกเป็นแบบไหนลูกก็ทราบความสุขของลูกในโลกิยะแบบไหนลูกก็ทราบเมื่อพ้นทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นแบบไหนลูกก็ทราบนี่สันติที่โก้รู้เองเห็นเอง บางคนก็แปรผิดอีกสันติจิโกจะรู้เองเห็นเองแห่งความสุขคําว่านี้ปานอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกความสุขลูกลก็ทราบรู้เองเห็นเองนั่นสารติจิโกเกิดถูกต้มอยู่ความทุกลูกก็ทราบเห็นพัดพาความเทวญานอยากไม่ได้จริงนั้นก็เป็นทุกข์ในลาบเสียได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศลูกจะรู้เองสันติจิโกเกิดเช่นเดียวกันแต่เป็นสันติจิโกในโลกิยะแต่ก็ต้องาอาศัการหยกเท่าก่อนั่นแหละทั้งโลกียะได้โลกุตละ ถ้าไม่มีตัวนี้ลูกก็ไม่สามารถถึงเป้าหมายแห่งความสุขผาวรที่เรียกว่านิพพานังปรมังทุกขงังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้เร่งจ้ะเร่งประพฤติปฏิบัติคําคุณงามความดีให้ไหลรวมเข้าสู่ที่ใจของลูกของเต้าไม่งั้นสิ่งที่ไม่ดีบาปกุศลจะไหลรวมลงสู่ที่ใจของลูกของเต้าลูกเต้าจะไม่ได้ ได้อะไรเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการทาบุญของลูกของเต้าพ่อต้องการให้ลูกยึดบุญไม่ต้องการให้ลูกยึดบาทยึดบุญยึดกุศลยึดพุดโทโตตามโมสังโฆนั่นเป็นบุญเป็นกุศลลูกจะมีความสุขในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันมีความสุขก็ไม่ต้องต้องสงสัยว่าเมื่อถึง การเวลาแตกสลายแห่งธาตุแห่งกันแล้วลูกจะมีความสุขขนาดไหนเพราะใจต้องอยู่ซึ่งความสุขที่เที่ยงเทตาวรที่เรียกว่านิพพานังปรมมังทุกขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแค่นี้นะขอนโมทนาโดยสาธุู